ท่าไม่ยังปรมาภะสภาวะธรมะสังวรนนายะปะธรมะภาคตปะทังภะนามะเตียงหากาปรังพลนตัวอาญานานังสังวันนาอเมหิสัจชายสัพพาดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลาย ลำหลับนี้เรื่องอันเกี่ยวกับอายาตนะทั้งหลายเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะนำมาสาทยายสับพังวงภิกเวนเทศาิามิดูปอนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงซึ่งสิ่ ง, ง, งทั้งปวงแก่เธอทั้งหลาย ทางสุนาทาเธอทั้งหลายจงฟังซึ่งธรรมนั้นกินแดนที่กเวศพังดูก่อนพิกสู่ทั้งหลายอะไรเล่าชื่อว่าสิ่งทางปวงจากคุณเจวรูปปาจาอายาตนา คือจกักตุและรูปทั้งหลายด้วยนั่นเองตันจะาสัทธาจาอายาตนะคือหูและเสียงทั้งหลายด้วยข้นนันจะาขันธาจาอายาตนาคือจมูกและกลิ่นทั้งหลาย้วยยิวาจ่าระสาจ า, า, จาอายาตนา คือดินและรถทั้งหลายด้วยกายโยจะโพธภาจะอายตนาคือกายและโพธพาทั้งหลายด้วยมโนจะธรรมมาจะอายตนาคือมโนและธรรมมารมทั้งหลายโดยทีทางวจติสิกเวสะพัง ดูกนภิกสุทั้งหลายอายตนาทั้งหลายเหล่านี้นี่เราเรียกว่าสิ่งทั้งปวงดังนี้กาตามันจะพิกเขเวนสลายอายะตนาดูกนภิกษุทั้งหลายก็สิ่งที่เรียกว่าอายตนาหกอย่างนั้นคืออะไรเล่า จกักควายตนาคือจกักขูอยายตนะกล่าวคือตาเป็นทวันที่กระทบแข็งอารมณ์ทางตาโซตายัตน า, ตาคือโสตาอยายตนะกล่าวคือหูเป็นทวันที่กระทบแข่งอารมณ์ทางหู ขานายตนาคือขานาอายตนะกล่าวคือจมูกเป็นทวารที่กระทบแห่งอารมณ์ทางจมูกชิวหายาตนาคือชิวหาอายตนะกล่าวคือลิ้นเป็นทวารที่กระทบแห่งอารมณ์ทางลิ้นกายายตนาะ คือกายอายาตนะกล่าวคื อ, อเนื้อหนังเป็นทวานที่กระทบแห่งอารมณ์ทางกายมานายาตนาคือมนะานาอาญตนะกล่าวคือใจเป็นทวารที่กระทบแห่งอารมณ์ทางใจ อินทังวจันติภิกขเวสลายาตนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่เราเรียกว่าอายาตนาหกอย่างดังนี้สมุทโธสมุทโ ธ, ธติภิกขเวอสุ ต, ตวะปุตตุชนุภาสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชน ผู้มีการสะดับอย่างธรรมดาสามัญกล่าวกันอยู่ว่าสมุดสมุดดังนี้ในโสภิกเเวอริยสาวินัเยสมุดโทดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมุดดังที่กล่าวนั้นหาใช่สมุดในอริยสวินัยกล่าวคือ ระเบียบแห่งการพูดจาของพระอริยเจ้าไม่มหาเอโซมพิกเวอุทักกาติมาอุทกกันนวูดูการพิสูจทั้งหลายนั่นเป็นเพียงน่านน้ําใหญ่ๆพ่วงน้ําใหญ่ๆดันติพิกเวอจะขุวินย่อยาลูาโดูการพิสูจทั้งหลาย สมุดในระเบียบแห่งการผู้จาของพระอริยเจ้ามีอยู่คือรูปทั้งหลายอันอยากพึงรู้สึกได้ด้วยจับสุอิทากันตามนาปาเป็นที่น่าปรารถนาน่าใครน่าพอใจวิยโร ป, ปากามุปสันหิตาลัชนิย มีรูปน่ารักเป็นที่ตั้งแห่งความใกล้เป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดอายางวจติภิกขเวอริยัสวินยเยสมุตโตดูก่อนภิกสู่ทั้งหลายนี้แหละคือสิ่งที่เรียกว่าสมุทสมุตในระเบียบแห่งการพูดจาของพระอริยเจ้า เอธายังชาเทวโกโลโ ก, กสม马拉โกสะพรัมมโปัวในสมุทนานั้นชาะตะิวะโลกพร้อมทางเทวโลกมาราโลกโร ม, มโลกตาสัสมมานาพรามณีประชาสเทวมนุษย์มูสัตพร้รอมทางสัมมานาพรามพร้อมทางเทวดาและมนุษย์ เยฟุเยนักสมุนนาสันตาโดยมาหากันตกอยู่จมอยู่กุลากชชาต า, ก, ากุลคุณดิกัชาตามุนชาปัพพชภูตามมีจิตเหมือนกลุ่มได้ยุ่งยุ่งเย่อเหมือนความยุ่งของกลุ่มได้ที่หนาแน่นไปด้วยปมหัวพันกันยุ่งเหมือนเสืองหญ้ามุนชา และญาปภะชาอาปายังทุขติวินิปาตังสังสาราังนาติวัตติย่อมไม่ล่วงพ้นซึ่งสังสารวัตรคืออบ า, ายทุคติวินิบาต์ดังนี้ในกรณีแห่งเสียงเป็นสมุดก็ดีกลิ่นเป็นสมุดกดีรสเป็นสมุดก็ดีโคถพะเป็นสมุดก็ดี ธรรมารมเป็นสมุกดก็ดีพระผู้มีพระภาคเจ้าด้านตรัสว้มีนัยยะอย่างเดียวกันกับในกรณีแห่งรูปเป็นสมุดอาเทสุภิกขเวสติอาธานิเคปนังปัญญาญติดูก่อนทิกสู่ทั้งหลายเมื่อมือทั้งหลายมีอยู่การจับหรือการวาง ย่อมปรากฏให้เห็นปาเเทสุสติอาภิกรรมปติกรมรมปัญญาญติเมื่อเท้าทั้งหลายมีอยู่การก้าวไปหรือการถอยกลับย่อมปรากฏให้เห็นปาเเทสุสติสัมมินชนะปัจจารนางังปัญญาญติเมื่อข้อสอก ้อเท่าทั้งหลายมีอยู่การผู้เขา้าหรือการเหยียดออกย่อมปรากฏให้เห็นโกชิสมิงสติจิงคัชชาปิปาสาะปัญญายติเมื่อทองใสมีอยู่ความหิวหรือความระหายย่อมปรากฏให้เห็นนี่ฉันใด เอวะเมวะโคภิกขเวรูกนภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นจาคูสมิงปิสติกล่าวคือเมื่อจักสุมีอยู่จาคูสัมผัสสัยาอุปัชฌติอัชชตังสุขะทุขังเพราะจักสุสัมผัสนั้นเป็นปัจจัย ย่อมเกิดความสุขและทุกข์ขึ้นในตนโสตสัมมิงสติเมื่อหูมีอยู่โสตสัมผัสสัพพัญาอุปัชฌดีอัจฉรายตุขาทุกขรังเพระาะโสตสัมผัสนั้นเป็นปัจจัยย่อมเกิดความสุขและทุกข์ขึ้นในตนฐ า, านสัมมิงสติเมื่อจมูก มีอยู่ภาณสัมผัสปัจจัยอุปัชฌติอัจฉติยสุขาทุครังความภาณสัมผัสนั้นเป็นปัจจัยย่อมเปิดความสุขและทุกข์ขึ้นในตนจิวายาสติเมื่อลิ้นมีอยู่จิวายาสัมผัสปัจจัยอุปัชฌติอัจฉติยสุขาทุครัง เพราะชิวหาสัมผัสนั้นเป็นปัจจัยย่อมเกิดความสุขและทุกข์ขึ้นในตนกายสมิงสติเมื่อกายมีอยู่กายสัม ผ, สผัสสบัยใจญาอุปัชติอั ช, ชตางสุขาทุกขงังเพราะกายสัมผัสนั้นเป็นปัจจัยย่อมเกิดความสุขและทุกข์ขึ้นในตน มานาสมิงสติเมื่อใจมีอยู่มโนสัมผัสปัจจัยอุปัชติอาชตาตังสุขะทุกขังเพราะมาโนสัมผัสนั้นเป็นปัจจัยย่อมเกิดความสุขและทุกข์ขึ้นในตนดังนี้ทิธามายาทิคเวชปัสายาตานิกานามนิรยา รูปองค์ที่สูทั้งหลายนารกชื่อชาปั ส, สายานิกาคือนรกอันเป็นไปในการสัมผัสทางอายาตนาทั้งหกเราได้เห็นแล้วตาถายย่างกินจิตจากคุณารูปปางปัสติในนรกนั้นบุคคลเห็นรูปใดๆ ด, ด้วยจากสู อานิทะรูปัญญาวอคันทะรูปัญเววาญเ ว, วอมนะปรูปัญเญญบาสติย่อมเห็นแต่รูปอานมีลักษณะไม่พึงปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจทางนั้นโนอิทธรูปังกันตรูปังมณะปรูปังไม่ได้เห็นรูปอานมีลักษณะพึงปรารถนา น่าใครน่าพอใจเลยยังกินจิตโซเตนะสาสทังสุนาตีในนรกนั้นบุคคลฟังเสียงใดๆด้วยหูอานิธรโรปัญเยวะกันตรูรปัญเยวะมณะปรูปัญเยวะสุนาติยอมฟังแต่เสียงอันมีลักษณะไม่พึงปรารถนาะ ไม่น่าใครไม่น่าพอใจทางนั้นโลอิทรูปังคันตรูปังมนาปรูปังไม่ได้ฟังเสียงอันมีลักษณะพึงปรารถนาน่าใครน่าพอใจเลยอย่างกินจิขาเนนักขันทางขายติในนรกนั้นบุคคลดมกลิ่นใด ด้วยจมูกอเนธารูปัญเย ว, วะกันตรูปัญเย ว, วะมณาปรูปัญเย ว, วะกายติย่อมดมแต่กลิน่นอันมีลักษณะไม่พึงปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจทั้งนั้นโนอิธารูปังกันตรูปังมณาปรูปังไม่ได้ดมกลิน่น อันมีลักษณะพึงปราถนาน่าใครน่าพอใจเลยยังกินจิตชิวหายาละสัมสายตีในนรกนั้นบุคคลลิ้มรสได้ด้วยลิ้นอานิจตรูปัญญาวะกันตรูปัญเยวะอามนาปารูปัญเยวะสายตียอมลิ้มแต่รส อันมีลักษณะไม่พึงปราถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจทางนั้นนออิทธรูปังกังนตรูปังมนันาปารูปังไม่ได้ลิมรสอันมีลักษณะพึงปราถนาน่าใครน่าพอใจเลยยังกินจิกาเยนาโพธพภังภูสติในนรกนั้น บุคคลสัมผัสโสทภาใดๆ ด, ด, ด้วยผิวกายอานิสารูปัญเยวะกัณตรูปัญเยวะอมนนารูปัญเยวะปุสติย่อมสัมผัสแต่โสทภาอานมีลักษณะไม่พึงปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจทางนั้นนอยิสารูปังอัณทรูปังมนาภารูปัง ไม่ได้สัมผัสโธทภาอันมีลักษณะพึงปรารถนาน่าใครน่าพอใจเลยยังกินจิมารสาธรร ม, มังวิชานาติในนรกนั้นบุคคลรู้สึกธท ร, รมารมใดๆด้วยใจ อานิธารูปัญญาวักันตรูปัญญาวอมนะปารูปัญญาวิชานาติย่มรู้สึกแต่ธรรมารมอันมีลักษณะไม่พึงปราถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจทางนั้นนออิธารูปังอันตรูปังมานาปารูปังไม่ได้รู้สึกธรรมารม อันมีลักษณะพึงปรารถนาน่าใครน่าพอใจเลยดังนี้ที่ถ้าม่ยางหิดขเวชปัสสายญตินิกานามสะคาดูก่อนที่สูทั้งหลายสวรรค์ชื่อชะปัสสายญตินิกาคือสวรรค์อันเป็นไปในการสัมผัส ทงอายตนาทั้งหกเราได้เห็นแล้วตาทะยังกินจิตจากคูนารูปังปัสสติในสวรรค์ น, นั้นบุคคลเห็นรูปใดๆด้วยจกักษุอิทธรูปังเยวะกันตรูปังเยวะมานาปารูปังเยวะปัสสติยอมเห็นแต่รูปอันมีลักษณะพึงปรารถนาหน้าใคร น่าพอใจทางนั้นโนโอนิทะรูปังอาการตรูปังอมานาปรูปังไม่ได้เห็นรูปอันมีลาภนาไม่พึงปราถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจเลยยังกินจตโซเตนัสต์ทางสุนารีในสวรรค์นั้นบุคคลฟังเสียงใดๆด้วยหู อิทธรูปังเยวะกันตรูปังเยวะมานาปรูปังเยวะสุนาริย่อมฟังแต่เสียงอันมีลักษณะพึงปรารถนาน้าใครหน้าพอใจทางนั้นโนอาทารูปังอกันตรูปังอมานาปรูปังไม่ได้ฟังเสียงอันมีลักษณะไม่พึงปรารถนา ไม่น่าใครไม่น่าพอใจเลยยังกินจิกาเนนคันทั้งขายติในสวรรค์ น, นั้นบุคคลดมกลิน่นใดๆด้วยจมูกทิทรูปังเยวะกันตรูปังเยวะมานาปรูปังเยวะขายติยอมดมแต่กลิ่นอันมีลักษณะพึงปรารถนาะ น่าใครน่าพอใจทางนั้นโลอานิทะรูปังอากาันรตรูปังอมนาปรูปังไม่ได้ดมกลิน่นอันมีลักษณะไม่พึงปรารถนาะไม่น่าใครไม่น่าพอใจเลยยังกินจีชิวหายะรสังสายตีในสวรรค์ น, น, นั้นบุคคลลิมรสใดใด ด้วยลิ้นอิทารูปังเยวะกันตรูปังเยวะมานภาพรูปังเยวะทายทีย่อมลิมแต่รสอนมีลักษณะพึงปราถนาน้าใครหน้าพอใจทางนั้นโนโอาิทธารูปังอาการตรูปังอมนาปรูปังไม่ได้ลิมรสอันมีลักษณะไม่พึงปราถนา ไม่น่าใครไม่น่าพอใจเลยยังกินจิกายเยนะโพธพังผูสติในสวรรค์ น, นั้นบุคคลสัมผัสโพธาพาใดๆด้วยผิวกายอิทธรูปังเยวากันตรูปังเยวามนาปารูปังเยวามผูสติย่อมสัมผัสแต่โพธภพา อันมีลักษณะพึงปรารถนาน่าใครน่าพอใจทางนั้นโลกอนิทจรูปังอากันตรูปังอามะนาปรูปังไม่ได้สัมผัสโภทพะอันมีลักษณะไม่พึงปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจเลยยังกิฑจีมันนาจรธรร ม, มวิชานาติ ในสวรรค์ น, นั้นบุคคลรู้สึกธรรมารมใดๆด้วยใจอิทธรูปังเยวากันตรูปังเยวะมนะปปรูปังเยวะวิชานาติยอมรู้สึกแต่ธรรมารมอันมีลักษณะพึงปราถนาหน้าใครหน้าพอใจทางนั้น โนอนิทะรูปังอกันตรูปังอมนาปรูปังไม่ได้รู้สึกธรรมรมอันมีลักษณะไม่พึงปรารถนาไม่น่าใครไม่น่าพอใจเลยดังนี้